ความสุขในโลกนี้มีอยู่สองแบบหรือสองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งคือระดับของข่าวร่าวาดผู้ครองเบือนระดับที่สองคือระดับของนักบวชวิธีหาความสุขทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันจึงต้องศึกษา ให้รู้ว่าความสุขแต่ละแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีผลดีผลเสียอย่างไรการที่เราจะหาความสุขในแต่ละแบบเราก็ควรที่จะรู้จักวิธีหาและรู้จักผลดีผลเสียของ ความสุขในแต่ละแบบนั้นในความสุขที่เป็นระดับที่พวกเราหากันอยู่ก็คือระดับของผู้คลองเรือนระดับของนักบวชนี้มีผู้หากันไม่มากเพราะเป็นการหาที่ยากกว่าการหาความสุขระดับของ ผู้คลองเรืนแต่ผลดีผลเสียก็ต่างกันผลเสียผลดีของการหาความสุขของคารวาานี้ก็น้อยกว่าผลดีของการหาความสุขของนักบวชผลเสียของคารว่านก็มีมากกว่าผลเสียของความสุข แบบนักบวชแต่การหาความสุขแบบขาวละวานมันง่ายกว่าการหาความสุขแบบนักบวช น, นี่มันยากกว่าแต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะหาความสุขแบบยากถ้ามีผู้สอนผู้บอกผู้คอย ชีเนี่ยแนวทางของการหาความสุขแบบของของของนักบวชผู้ที่เคยหาความสุขแบบของคาระวะก็อาจจะสามารถเปลี่ยนไปหาความสุขแบบนักบวชได้นี่คือทําไมคาระวะผู้ครองเรือนจึงเข้าหานักบวชกัน เข้าหานักบวชเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบของนักบวชว่าหาอย่างไรถ้าไม่ต้องการหาความสุขแบบของนักบวชก็ไม่ได้เข้าหานักบวชก็จะไปหาคาวาดผู้ที่รู้จักวิธีหาความสุขแบบของคารวานะก็จะไป เรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆโรงเรียนที่เราไปเรียนกันนี่มหาวิทยาลัยที่เราไปเรียนกันนี้ก็เป็นที่ที่จะสอนให้เราหาความสุขแบบคารวะกันการหาความสุขของคารวะ น, นี้มีเหตุอยู่สี่ประการด้วยกันที่จะทำให้ เกิดวความสุขได้ความสุขของผู้คลองเรือนนี่มีหนึ่งเหตุที่ทําให้มีความสุขก็คือหนึ่งการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เนวันเวลาเงินเดือนออกวันหวยออกเนี่ยทุกคนแฮปปี้วันนั้นเป็นวันมีทรัพย์เป็นวันได้ทรัพย์แล้ว เหตุที่สองที่ทำให้มีความสุขก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้เช่นวันหยุดเนี่ยหยุดสามวันนี้ได้จองที่พักจองที่เที่ยวกันนะจะไปไหนก็ต้องใช้ทรัพย์กันหยุดสวันจะไปพักโรงแรมจองที่จองร้านอาหารจองสถานที่ท่องเที่ยว จะไปเที่ยวเกาะนั้นเกาะนี้จะไปขึ้นเขาไปอยู่รีสอร์ทนงรีสอร์ตนี้ก็ต้องมีทรัพย์ต้องใช้ทรัพย์ถ้าจองที่แล้วไม่จ่ายทรัพย์เขาก็ไม่ให้ที่พักให้นี่ก็คืออันที่สองความสุขของผู้ครองเริอนก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้ ความสุขข้อที่สามของคารวะผู้ของเรือนก็คือการไม่มีหนี้อย่าใช้มะอย่าใช้ทรัพย์มากกว่าที่เราหามาได้พอเมื่อเราใช้ได้มากใช้มากกว่าที่หามาได้เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเปาะรายจ่ายการมีหนี้นี้ก็ไม่มีใครชอบกันเห็นบินมาที่ไร หน้าตาเยเกะมาอีกแล้วเร็วก่อน <c oughs> ยิงยิงบินของบัตรเครดิตนี่มาที่นี่โอ้โหนะ้มันมันเยอะขนาดนั้นเวลาจ่ายไม่ไม่รู้สึกว่ามันมากอย่างนั้นเลยแต่พอบินมาเสียงเห็นแล้วจะเป็นลมนี่คือการมีนี่การไม่มีนี่ก็จะทำให้มีความสุขคิดดูถ้าไม่ ไม่มีบินไม่มีอะไรต้องจ่ายนี่มามีความสุขไหมไ ม, ไม่ไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่านี่สินต่างๆ่อาอันนี้ประการที่สามอย่ามีหนี้ถ้าอยากจะมีความสุขข้อที่สี่การที่จะมีความสุขก็คือ อย่าให้มีการกระทาที่เกิดโทษกับตนเองทาอะไรทำไปแต่อย่าทำแล้วทำให้เกิดโทษเช่นไปติดคุกติดตารางเรียกว่าเกิดโทษหรือทำอะไรไปแล้วทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอันนี้ไม่ให้ถ้าไม่ได้ทาสิ่งที่เกิดโทษถ้าไม่มีการกระทาที่เกิดโทษความทุกข์ก็ไม่มีจะมีแต่ความสุข นี่คือเหตุที่จะทำให้ผู้คองเรือนมีความสุขได้ดังั้นถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องมาศึกษาเ ห, เหตุสี่เหตุนี้ว่าทำอย่างไรการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นี่ก็มีวิธีหลายอย่างที่จะทำให้เกิดทรัพย์ได้ทรัพย์ขึ้นมา วิธีที่เรารู้กันก็คือเราก็ต้องไปทำงานทำการกันทางานทำกิจกรรมทำกิจกา ร, รอะไรลงค้าทำมาค้าขายที่เป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายเพราะถ้าผิดกฎหมายก็เป็นการกระทาที่เกิดโทษการมีการหาไรายได้หาทรัพย์ก็ต้องหาโดย การกระทําที่ไม่เกิดโทษถ้าไปหาแบบเกิดโทษก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางหรือมาเช่นนั้นก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศไม่ได้ก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าหาเงินแบบที่ทําด้วยการกระทําที่เกิดโทษมันก็เกิดทุกข์ตามมา อยู่ไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็เขาก็ต้องคอยจับเข้าคุกเข้าตารางฉะนการทำหากินด้วยอาชีพสุดจริญไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายการผิดศีลมันก็เกิดโทษทางใจทำบาปแล้วใจจะไม่สบายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถูกจับไปลงโทษเพราะอาจย่อไม่มีใครรู้เวลา ช่อโกงหรือหลอกลวงหรือไปขโมยของของผู้อื่นนี่บางทีไม่มีใครรู้ก็จะไม่มีใครไปแจ้งความไปจับมาลงโทษทางร่างกายแต่ทางจิตใจจะไม่มีความสุขเพราะเวลาทำบาปแล้วใจจะรู้ว่าตัวเองนี้มีภัยแล้วมีมีโทษตามมา เพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองจะมีความหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวว่าจะมีใครไปรู้ไปเห็นเข้าแล้วอาจจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับไปลงโทษต่อไปังนั้นการจะมีทรัพย์นี้อย่ามีทรัพย์ด้วยการกระทําที่ผิดกฎหมายผิดศีละธรรม แล้วก็จะไม่มีปัญหาขอให้ทำมาหากินด้วยอาชีพสุดจริญถ้าอยากจะหากินแบบร่ำรวยก็ต้องอาศัยมีความรู้ความฉลาดก็ต้องไปเรียนหนังสือกันเพราะคนที่จบการศึกษาสูงนี้มักจะมีรายได้มากกว่า ผู้ที่จบการศึกษาต่ำสับจบป .6 นี่สู้คนที่จบม .6 ไม่ได้งานที่ได้ต่างกันรายได้เท่ต่างกันจบม .6 ก, ก็สู้พวกจบปตีไม่ได้ปตีก็สู้พวกปโทไม่ได้ปโทก็สู้พวกปอเอกไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีหาทรัพย์แบบหนึ่ง อาทรัพย์ด้วยการไปศึกษาเร่มเรียนไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือให้มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนหนังสือพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้แล้วโอกาสที่จะหางานหาไรายได้มากก็จะมีมากขึ้นไปตามลาดับอีกพวกหนึ่งนี้ก็อาจจะอาศัย การศึกษาด้วยตนเองพ่อแม่อาจจะยากจนไม่มีความสามารถที่จะส่งเสียให้ไปเรียนหนัตามโรงเรียนตามมหาลัยได้ก็ใส่คิดด้วยตนเองคิดวิธีหาเงินด้วยตนเองมีเสดมาเสษฐีเนี่ยที่เป็นมหาเสษฐีกันนี่บางทีไม่ได้ไปเรียนหนังสือ แต่อาศัยความฉลาดอาศัยความขยันอาศัยความประหยัดเนี่ยก็สามารถเป็นมหาเศรษฐีได้นีถ้าไปศึกษาประวัติของมหาเศรษฐีเมืองไทยบางคนนี่ก็เป็นคนยากจนมาก่อนนะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่อาศัยมีความฉลาดรูด้จักคิดรูด้จักหา รู้จกักรักษาเงินทองที่หามาได้รู้จักเอาเงินทองที่หามาได้ไปต่อยอดอไปทำให้มีเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเป็นเศรษฐีได้อันนี้เป็นเรื่องของชัมเพอตนคือเป็นคนบุคคลที่ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปอาศัยครูอาจารย์ตามโรงเรียนมาคอยสอนมาคอยบอกคอนพวกนี้ก็มีแต่มีไม่มากมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยก็มีแต่จ้างพวกด็อกเตอร์นี้มาเป็นลูกน้องใช้งานเขาได้ อันนี้ก็เป็นวิธีหาทรัพย์ต้องมีความฉลาดแล้วก็มีความประหยัดมัธยัดไม่ใช้เงินใช้ทองเกินเหตุเกินผลนี่ก็เป็นวิธีมีทรัพย์ได้ทรัพย์มาอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีที่ที่อาจจะ เป็นสิ่งที่เร า, เาทำไม่ได้กันเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำมาในอดีตชาตาิก็คือคนที่เกิดมาแล้วร่่ารวยเกิดมาเป็นลูกของคนน่่ารวยมีบิดามารดาร่่ารวยพวกนี้เขาว่ามาเพราะบุญาชาติก่อนได้ทำบุญ พอมาเกิดในชาตินี้ก็เลยมารับอนิสง์ของผลบุญที่ได้ทำเอาไว้เช่นยกตัวอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะชาติก่อนนั้นท่านก็ไปเป็นพระเวชสันดรพระเวชสันดรก็ชอบทำบุญทาทานทำเกือบทุกอย่างแม้แต่ลูกมีใครมาขอก็ยกให้ไป ดีที่มีคนจะมาขอภรรยาและเทวดามาห้ามไว้เพราะพระองค์มีความรู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้ทำบุญพอตายไปก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วพอกลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นลูกของกษัตริย์อันนี้ก็เป็นตัวอยา่าง ของผู้ที่ทำบุญมากๆเวลามาเกิดก็มักจะมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำคนรวยคนใหญ่คนโตไม่ต้องไปดิ้นรนหาทรัพย์ให้เหนื่อยยากพวกที่เกิดมายากจนนี้ก็ถือว่าชาติก่อนไม่ค่อยได้ทำบุญเด้ไม่มีบุญมาสนับสนุน ให้มาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยที so ่มีฐานะดีก็แต่ละคนมาเกิดก็เกิดต่างฐานะกันบางคนก็รวยมากเกิดในครอบครัวที่รวยมากบางคนก็เกิดในครอบครัวที่รวยปานกลางรวยน้อยแล้วก็แบบไม่รวยแต่ก็ไม่ยากจนพอมีพอกินแล้วก็มีพวกที่ยากจนแน่นแค้น ก็มีหลายีหลายระดับด้วยกันทางศาสนาท่านพูดว่าเป็นอานิสงส์ของการได้ทำบุญทำทานมาในอดีตทำมากทำน้อยก็จะได้มาเกิดร่ำรวยมากร่ำรวยน้อยแต่นี่มันเป็นเรื่องของอดีตเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แต่เราสามารถทำเพื่ออนาคตได้ ถ้าเราเชื่อว่าบุญนี้ทําให้เราไปเกิดน่ารวยได้ชาตินี้เราถ้ามีเงินเหนือกินเหนือใช้เราก็เอามาทําบุญกันเอแทนที่จะเอาไปใช้แบบไม่มีอา น, นิสงส์ไม่มีประโยชน์ต่อพบหน้าชาติหน้าก็เอามาทําบุญเป็นเหมือนกับการลงทุนเพื่อชาติหน้า ตายไปชาติหน้าจะได้ตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนแบบแบบพระเวชสันดรเราจะเอาตัวอย่างพระเวชสันดรมาถ้าเรายังเชื่อว่าเรายังต้องไปเกิดต่อไปเรายังไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องกลับมาเกิดอีก เราต้องไปเกิดที่ไหนที่สูงที่ตำ่ำก็ อ, อยู่ที่การกระทาของเราทำบุญเราก็จะไปเกิดที่สูงทำบาปเราก็จะไปเกิดที่ต่าไปเกิดนอบายแทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์ก็ไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อนไปเป็นสุนัขเป็นแมวก่อนจนกาบาปที่ได้ทำไว้หมดลง ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปกลับมา other, ก็จะเกิดแบบยากจนแร้นแค้นเกิดมาแบบเป็นคนไม่ดีกลับมาแล้วเกิดก็ยังมาเกิดทำบาปต่อมารักเน็ขโมยน้อยมาเป็นโจรมาทำทาบาปต่อเพราะนี่คืออา น, นิสกฎแห่งกรรม ทำกรรมใดไว้มันจะติดนิสัยทำบาปมันก็จะติดนิสัยทำบุญก็จะติดเป็นนิสัยกลับมาเกิดก็จะมาทำบาปใหม่คนที่เคยชอบทำบาปคนที่ชอบทำบุญกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาทำบุญต่ออ่นี่คือเรื่องของอนาคตของพวกเราชาตนี้เราไม่รวย เราอยากจะให้รวยแบบที่เราไม่ต้องไปดิ้นนนขวนขวายไปหาเงินหาทองก็ถ้าเรามีเงินเหลือจากการใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นเราต้องมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายของเราพอเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขแบบชั่วคราวแบบประเดียวประดาว ไปกินไปดืม่มไปเที่ยวไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆเอาเงินส่วนนี้ไปทำบุญดีกว่าถ้าเราเชื่อบุญเชื่อว่ามีประโยชน์มีมีมีผลต่อการเกิดของเราในภพหน้าต่อไปถ้ายังไม่ได้เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาไปก่อนถ้าได้มาเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่ มีทรัพย์อยู่เกิดจากกันเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือมีฐานะการเงินการทองที่ดีไม่ต้องมาลำบากลำบนเ่นลน้นก็ยอมลำบากชาตินี้ดีกว่าก็ไม่ลำบากมากเพราะการเอาเงินไปทำบุญนี้มันไม่มันไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรยากตรงที่ต้องห้ามใจห้ามกิเลสเท่านั้น กิเลสมันชอบมาขอเงินเราไปเสียมากกว่าชอบมาเห็นกระเป๋าสวยๆเห็นรองเท้าสวยๆมันก็อยากได้ขึ้นมามก็ลองคิดถึงว่าคิดถึงคนที่เขายากจนเดือดร้อนอเด็กท้าเด็กพิการเด็กยากจนลองช่วยเขาลองคิดว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรเด็กที่ อยากจะเรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียนถ้าเราได้ช่วยให้เขาได้เรียนเขาก็มีความสุขเขามีอนาคตก็มีความหวังเขารู้ว่าถ้าเขาได้เรียนหนังสือต่อไปเขาก็จะมีวิชาความรู้ที่จะทำให้เขาไปทามาหาเินหาเงิ น, ห า, งนหาทองได้สะดวกง่ายดายกว่าการที่ไม่มีความรู้ ถ้าเราคิดอย่างนี้เวลาที่กิเลสมาขอเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเราก็เอาไปทำบุญดีกว่าว่าทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขในขณะที่ทำบุญและเรายังมีอนาคตที่ดีรอเราอยู่ด้วย อย่าไปคิดว่าการทำบุญนี้เป็นการสูญเปล่ า, าศาสนาพุทธนี้ถือว่าเป็นการกำไรเป็นการลงทุนเป็นการเอาเงินไปฝากในธนาคารไม่สูญหายไปไหนตายไปชาหน้ากลับมาเกิดใหม่เงินทองที่เราทำนี้มันจะรอเราอยู่นอกจากเงินต้นแล้วยังมีเงินมีเงินดอกด้วย ทำสิบบาทอาจจะได้หมื่นบาทเพราะกว่า จ, จะกลับมาเกิดนี้มันอีกหลายปีดอกเบี้ยมันก็ทบต้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ให้คิดอย่างนี้แล้ว <c oughs> ก็อาจจะทำให้เราลดการหาเงินใช้เงินตามความอยากของกิเลสอาจยังต้องใช้อยู่บ้างเพราะเรายังไม่ใช่ ย, ยังไม่มีความสุขแบบนักบวชนะก็อาจจะต้องไปเที่ยวบ้างแต่ให้มันน้อยหน่อย แบ่งแบ่งแบ่งเงินให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้เขามีความสุขไม่ต้องไปทำกับวาดกับพระอยู่เสมอทำกับพระบ้างก็ได้ทำกับคนยากไร้บ้างก็ได้ทำกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ทำได้ทุกรูปแบบเป็นบุญเหมือนกัน เป็นงานเป็นการเอาเงินเข้าธนาคารบุญไปฝากไว้ในธนาคารบุญแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเงินเหล่านี้ก็จะมาอะรอเรามารับใช้เราต่อไปอันนี้ก็เป็นการหาความสุขอยากการมีทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์อย่าใช้ทรัพย์ไปในทางที่จะไม่เกิดประโยชน์ในอนาคต และอาจจะเกิดโทษในปัจจุบันด้วยถ้าใช้ทรัพ์ตามความอยากเพราะมันจะใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่มีขอบไม่เคตถ้าใช้ตามความอยากแล้วมีเท่าไหร่ก็หมดได้ถ้าไม่ละมัดระวังพอหมดแล้วทีนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อน จะทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาอีกเนะี่ยอันนี้การใช้ทรัพย์หนึ่งต้องระมัดระวังใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้อย่าให้เกิดโทษการใช้ทรัพย์ที่จะทำให้ไม่เกิดโทษก็คือใช้กับสิ่งที่จำเป็นเนะเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีเช่นปัจจัยสี่อันนี้ใช้มันไปไม่ไม่เกิดโทษมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีใช้ด้วยเหตุด้วยผลถึงแม้จะเป็นปัจจัยสี่มันจะกลายเป็นกิเลสขึ้นมาก็ได้ถ้าใช้แบบรู้หาใช้แบบฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายราคาตั้งแต่ไม่กี่ร้อยขึ้นไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เป็นแค่เสื้อผ้าเท่านั้นเอง วิธีที่เราจะใช้ด้วยเหตุด้วยผลพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าให้พิจารณาถึงเหตุผลของการที่เราต้องใช้ของเหล่านี้ท่านสอนพระว่าเวลาจะบริโภคปัจจัยสี่ทุกครั้งให้พิจารณาก่อนว่าเราใช้บริโภคปัจจัยสี่นี้ด้วยด้วยเหตุผลอะไรเพื่อประโยชน์อะไร เป็นก่อนจะฉันอาหารนี่กายพิจารณาว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะี้กินเพื่ออะไรอกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินเพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคของความหิวไม่ได้ให้กินเพราะความสนุกเพื่อความสนุกสนานบางคนกินข้างคนเดียวไม่อร่อยต้องชวนเพื่อนมากินต้องเลี้ยงเพื่อนอะ เสียเงินเสียทองหรือต้องไปกินตามมหานอาหารที่หรูหราที่มีบรรยากาศมีเสียงเพลงมีเครื่องปรับอากาศแต่อาหารที่กินเข้าไปในท้องมันก็เหมือนกันอาหารข้างถนนก็เป็นอาหารดับความหิวได้รักษาร่างกายป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ราคามันต่างกัน อาหารข้างถนนจานหนึงห้าสิบบาทเข้าไปในโรงแรมกลายเป็นห้าร้อยบาทนะ <c oughs> กินออกมามันก็ถ่ายเหมือนกัน <c oughs> นี่คือการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเพราะมันเราใจเรามากักจะถูกกิเลสเราโอ้กินที่นั่นไม่สุขเหมือนกินที่นี่กินในโรงแรมกินในร้านหรูหรามีคนมาคอยเสิร์ฟมาคอยก้มหัวให้นับใช้ทุกอย่าง ใช่แต่มันก็เป็นแค่การกินความสุขที่ได้จากบรรยากาศมันก็แค่ชืดเดี๋ยวเดียวท่านเองพอออกจากร้านไปแล้วมันก็หายไปหมดนะหายไปกับเงินด้วยเง <c oughs> ินก็หายไปด้วยนี่ถึงแม้ว่าจะใช้กับสิ่งที่จำเป็นก็ต้องระวังเพราะว่ากิเลสมันสามารถแทรกเข้ามาได้ทุกทุกช่องทางใช้กับสิ่งที่จำเป็นมันก็ยังทาให้กายเป็นกิเลสได้ เห็นเราต้องใช้เหตุผลพระพุทธเจ้าสอนพระเวลาจะ บ, บริโภคปัจจัยสี่เนี่ยปฏิสัง้ายโยนดิโซเนี่ยบินทปาตังปฏิเสเวามิการบริโภคอาหารบินทบาทนี้บริโภคเพื่ออะไรบริโภคเพื่อกำจัดความหิว บริโภคเพื่อรักษ า, าร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้บริโภคเพื่อความสนุกสนานเฮฮาไม่ได้บริโภคเพื่อสวยความสวยความงามของร่างกายอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีบริโภคที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็คือบริโภคเพื่อรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขอาหารจึงไม่จําเป็นจะต้องมีราคา แพงเพราะอาหารราคาแพงหาราคาถูกมันก็มาจากตลาดเดียวกันนั้นแหะมันต่างกันที่เวลามาเสิร์ฟเท่านั้นเองว่าใส่จานแบบไหนฮะตั้งอยู่บนโต๊ะแบบไหนนั้นเองเพราะนั้นอย่าไปหลงกับบรรยากาศกับอะไรความรู้สึกทางทางกิเลสมันจะมาหลอกเราให้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามที่หมอได้ศึกษาอาหารที่กินแล้วไม่ทําให้เกิด การเจ็บ่ายได้ป่วยท้องไม่เสียเอกินแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายอาหารสมัยนี้มันก็มีทั้งอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษถึงแม้มันจะอร่อยแต่มันเป็นโทษหรือไม่เลยรับประทานเพื่ อ, อความอเรเหล็ดอร่อยนให้รับประทานเหมือนรับประทานยาเออหมอจึงต้องคอยห้ามคนไข้ลดไขมันะของของมันมันของหวานหวานของเค็มเค็มเนี่ย ของพวกนี้บริโภคพอประมาณก็เป็นประโยชน์นะแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะกลายเป็นพิษขึ้นมาทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้นี่คือการบริโภคปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคขอให้พิจารณาที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากมัน อย่าไปดูรูปแบบอย่าไปดูราคาบางทีราคากับรูปแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ประโยชน์มากขึ้นแต่อย่างใดรักษาสามสิบบาททุกโร ก, ก็หายเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันไปอยู่โรงพยาบาลคืนละสองหมื่นก็ตายเหมือนกันหายเหมือนกันแต่บรรยากาศมันต่างกัน ไปอยู่โรงพยาบาลสองหมนนี่มันเข้าไปนอนในโรงแรมนะไม่ได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลนะทุกอย่างรู้ล้าหมดนะมัน ถ, ถ้ามีฐานะมีเงินใช้ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากจะใช้แต่ถ้าฉลาดสู้รักษาสามสิบาทดีวกว่าเอาอีกหมื่นกว่าบาทนี้ไปทำบุญดีวกว่าเพราะไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดี <laughs> ถ้าคิดเป็นถ้าคิดถึงอนาคตนะถ้าเชื่อว่าเรายังต้องมาเกิดใหม่อีกยังต้องกลับมาเกิดอีกก็ให้คิดถึงบุญมากๆเพราะบุญก็คือการเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารนั่นเองนะนี่คือการใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขใช้กับสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ให้พอเพียง อย่ามีเงินแล้วกลับมาเสียดายเงินบางคนมีเงินแล้วเสียดายเงินใช้แบบอขี้เหนียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกกินแบบคนยากคนจนเพราะเสียดายเงินทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินเหลือกินเหลื อ, ลอใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ก็ยังหวงเงินอยู่ก็อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพยบมีเงินแล้วรักทรับหวงทรับหวงเสียดายทรัพยบถ้ามีแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร มีมีเงินเยอะแต่ใช้ใจ่ายแบบคนขอทานคนยากคนจนเนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับความสุขจากการมีทรัพย์กัดจากการใช้ทรัพย์นะอย่างนั้นก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับร่างกายถ้าอยากให้เกิดประโยชน์กับจิตใจก็เอาไปทําบุญทําทานอย่าใช้ให้เกิดโทษใช้ให้เกิดโทษก็ใช้กับกิเลสตัณหาใช้กับความอยากต่างๆ พอใช้กับกิเลสตัณหาแล้วมันจะไม่อิ่มไม่พอมันจะอยากใช้อยู่เรื่อยๆซื้อของมาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปซื้ออีกเพราะความสุขที่ได้จากของที่ซื้อเมื่อวานนี้มันหมดไปแล้วต้องซื้อของใหม่แล้วพอรู้พอเห็นว่ามีเงินในกระเป๋าเหลืออยู่ก็อดไม่ไหวอดทนไม่ไหวเดี๋ยวต้องไปซื้อออกไปชอบพิ้งต่อ ชอบไปในเมืองไทยไม่พอไม่มีอะไรซื้อก็ไปเมืองนอกะถ้าเรามีเงินแล้วมันจะมีและเรื่องมันดึงดูดให้เราใช้เงินได้อย่างอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะของนี่มันมีราคาหลายรหลายหลายหลายระดับด้วยกันของแบบเดียวกันรถยนต์แบบเดียวรถยนต์เหมือนกันแต่มีราคาตั้งแต่ไม่กี่แสนขึ้นไปถึงหลายสิบล้านมันก็รถสี่ล้อเหมือนกันน มันก็พาเราเดินทางจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งได้เหมือนกันแต่ทาไมเราจะต้องเสียเงินมากมายเพื่อที่จะพาเราไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งมันอันนี้ต้องใช้เหตุใช้ผลไม่งั้นเราจะถูกกิเลสหลอกแล้วจะทำให้เกิดปัญหาได้บางทีเราใช้เงินเกินตัว แล้วทีนี้เงินไม่พอใช้เราก็จะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินและพอเป็นหนี้เป็นสินบางทีเราก็ต้องอาจจะไปหาเงินด้วยวิธีช่อกโกง mm. เพื่อที่มาใช้หนี้ใช้สินต่อไป mm. ก็จะทำให้เรามีการกระทำที่เกิดโทษตามมา mm. ย่างนั้นต้องระวังหนี้สินอยา่าทำสองการกระทำที่เกิดโทษ หรือทำผิดกฎหมายหรือทำผิดศีลธรรมหรือทำแบบไม่มีเหตุมีผลทำตามอารมณ์การกระทำเหล่านี้มันจะเกิดโทษกับเราได้นี่คือวิธีการหาความสุขของผู้คลองเรือนถ้าอยากจะหาความสุขแบบปราศจากปัญหาปราศจากโทษก็ต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสอนหาทรัพย์ใช้ทรัพย์ ด้วยวิธีที่ไม่เกิดโทษแล้วก็อย่าไปมีไปเป็นนี่เป็นศีอแล้วก็จะมีความสุขแบบคารวะได้แต่ความสุขแบบนี้มันก็มีจุดด้อยตรงที่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขแค่ขณะที่มีชีวิตอยู่ หรือในขณะที่มีทรัพย์อยู่ซึ่งก็ไม่มีใครมารับประกันได้ว่าทรัพย์ที่มีอยู่นี้มันจะหมดไปได้เมื่อไหร่บางทีมันอาจจะหมดไปก่อนที่เราจะคิดไว้เราคิดว่ามันจะหมดตอนที่เราตายแต่มันบางทีมันกลับไปหมดก่อนเรามันตายก่อนเราถ้ามันตายก่อนเราเราก็จะลาบากบางคนล้มละลายได้ทำมาหากินแล้วผิดพลาด ทำให้เกิดการนุ่มละลายขึ้นมาหรือร่างกายที่เราคิดว่ามันจะสมบูรณ์แข็งแรงนี้วันดีคืนดีมันอาจจะเป็นโลกภัยไข้เจ็บพิกลพิการขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนส่วนด้อยของการใช้ทรัพย์าการมีความสุขด้วยการใช้ทรัพย์ การจะใช้ทรัพย์ก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะไปใช้ทรัพย์ได้แต่ถ้าเกิดร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพิ ก, กงพิ ก, การขึ้นมาหรือตายไปอย่างนี้การใช้ทรัพย์การหาความสุขจากการใช้ทรัพย์มีทรัพย์ก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าเราหาความสุขแบบนี้ไป แล้วเราคิดเป็นเราก็อาจาจะเริ่มคิดว่าต่อไปร่างกายของเรานี้จะจะไม่สามารถหาความสุขจากการใช้ทรัพย์ได้จากการหาทรัพย์ได้มีทรัพย์ได้เราก็จะต้องมาลองหัดหาความสุขแบบของนักบวช ด, ดูเพราะการหาความสุขแบบนักบวชนี้ไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องมีทรัพย์ เป็นการหาความสุขเพียงแต่มาทำใจให้สงบการที่จะทำใจให้สงบก็ต้องมีศีลมาคอยระ ง, งับความอยากต่างๆที่จะไปหาความสุขแบบใช้ทรัพย์แล้วก็มีสถานที่ที่สงบที่เงียบที่ไม่มีอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจ เิแล้วก็จะได้มาคอยควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนะถ้ามีสติมีกาลังมากก็จะสามารถครวบคุมความคิดให้หยุดความคิดได้ให้ใจสงบนิ่งใจสงบนิ่งแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ก็คือรสของความสงบนี้ที่ทรงตัดว่านัตถิสันติปาังศขังสุก อ, อื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเราเห็นว่าการหาความสุขแบบคารว่านี้มันไม่แน่นอนและมันจะต้องลดน้อยถอยไปตามลำดับตามกาลังของร่างกายร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อย การความสามารถที่จะหาความสุขก็จะลดน้อยถอยลงไปคนแก่กับคนหนุ่มคนสาวนี่ดูด้วยใครจะหาความสุขได้มากกว่ากันเนะคนหนุ่มคนสาวจะไปไหนมาไหนสะดวกสบายคนแก่นี่จะไปไหนทีต้องตั้งต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องถามตัวเองไว้ร <laughs> ือเ๋ยวบางทีตรงมันกำลังมันก็น้อยลงอะไรทุกอย่างมันก็น้อยลงไป ดังนั้นถ้าเราเห็นอนาคตของร่างกายว่ามันจะต้องเสื่อมลงไปเราอาจจะคิดว่าเราหน้าจะมาฝึกหาความสุขแบบนักบวชกันดีกว่ายังไม่ต้องบวชเนี่ยเพราะว่ามันบวชไม่ได้อยู่ดีเพราะอยู่ดีๆใครจะไปบวชได้คนที่ไม่เคยบวชมาก่อนนี้บวชไม่ได้คนที่เขาไปบวชได้เพราะชาติก่อนเขาเคยบวชมาก่อนนะครังนี้พอเขากลับมาเกิด เขาก็ยังติดนิสัยเดิมมาอยู่ยังติดนิสัยของนักบวชอยู่พอเขามีโอกาสเขาก็บวชได้แต่คนที่ไม่มีนี้ถึงแม้อยากจะบวชถึงแม้จะมีโอกาสเขาบวชไม่ได้บวชได้แต่ก็อยู่ไม่ได้บวชก็อาจจะบวชได้ช่วงพรรษาอาจจะมาบวชกันนี่วันนี้ก็เสกไปรูปหนึ่งบวชได้สิบสี่วันสิบห้าวัน ก็บวชตามธรรมเนียมบวชตามความเชื่อว่าเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาก็เท่านั้นเองฉนั้นไม่ใช่ว่าการจะบวชนี้จะบวชได้ตามที่เราคิดกันถ้าเราไม่พร้อมไม่มีศักยภาพก็ยังบวชไม่ได้เมื่อยังไม่พร้อมเราก็ต้องมาสร้างศักยภาพกันมาหัดอยู่แบบนักบวชกันพระพุทธเจ้าสอนให้เรา มาหยุดมาอยู่แบบนักบวชอาทิตย์ละหนึ่งวันเอาวันที่เราหยุดทำงานที่เราไม่ต้องไปทำม า, ากินไปทำอะไรนี่เรามาหัดอยู่แบบนักบวชสักหนึ่งวันเรามาถือศีลแปดเอลองไปอยู่ที่สงบที่สงบนี่แหละคือวัดวัดไม่จำเป็นจะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองถึงจะเรียกว่าวัด วัดสมัยพุทธกาลนี้คือป่าเขาเนียพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุในป่าในเขาไม่ได้วันลุอยู่ในวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวตามลำพังเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสู้ใต้โคนต้นโพพบกับความสุขของนักบวชภายใต้โคนต้นโพคอความสุขระดับถาวร ระดับชั่วคราวนี้ได้พบแล้วตอนต้นได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนให้ทำจิตให้สงบด้วยสติจิต ก, ก, ก็พบกับความสุขของนักบวชคือความสงบแต่เป็นความสงบชั่วคราวพอสติมีกำลังอ่อนลงพออ่อนลงก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้ก็หายไป ก็ต้องมาสร้างสติใหม่แล้วก็นั่งสมาธิใหม่ก็ทำได้แบบชั่วคราวแต่พระองค์อยากจะได้แบบถาวรเมื่อไม่มีใครรู้พระองค์ก็เลยส่งค้นคว้าหาเองอยู่ในป่าหาคนเดียวเนะจนท้ายที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ความสงบนี้อยู่อย่างถาวร ก็เรียกว่าตัดสรู้ได้พบกับพานิพานพานิพานคือความสงบที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมเพราะไม่ได้ใช้สติเป็นเครื่องมือแต่ใช้ปัญญาใช้สติเป็นผู้สนับสนุนแต่มีปัญญามาเป็นตัวที่จะรักษาความสงบที่เป็นแบบชั่วคราวให้เป็นความสงบแบบถาวรได้ พอสงคนเพราะว่าความสงบแบบชั่วข่าวนี้มันเกิดจากอะไรถึงทําให้มันสงบแค่ชั่วข่าวก็สงคนเพราะว่าเกิดจากกิเลสตัณหานี่เองเวลาใจสงบนี้กิเลสตัณหาไม่ทํางานพอกิเลสตัณหาทํางานใจก็ความสงบก็จะหายไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยมาคอยหยุดความอยากต่างหยุดกิเลสความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆ พอหยุดด้วยปัญญาเอชี้โทษให้เห็นว่าความอยากที่ได้นี้อยากสิ่งที่อยากได้นี้มันเป็นทุกข์เพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเป็นของชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปความสุขที่ได้จากของที่เราอยากได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเวลาได้แฟนก็มีความสุขกันพอแฟนจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาะ อันนี้คือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขเพราะจะเห็นว่าแทนที่จะได้ความสุขอย่างเดียวมันได้ความทุกข์ตามมาด้วย เวลาที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนไปหรือหมดไปคนนั้นคนนี้เปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกขึ้นมาทันทีทก็จะทำให้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอไม่มีความอยากป่าจิตก็สงบเหมือนเดิมจิตก็จะสุขแบบไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุข น, นี่คือ วัดของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านบำเพ็ญในป่ากันในป่าในเขาอย่ามาเข้าหมู่บ้านกันเฉพาะตอนเช้ามาบิณฑบาตขออาหารพอฉันพอได้อาหารก็กลับไปอยู่ในป่าไปเจริญสัมมณะธรรมไปเจริญความสุขแบบนักบวชคือคอยควบคุมใจให้หยุดระ ง, งับความคิดความอยากต่างๆเบื้องต้นกันใช้วิธีของสติ ต่อมาก็ทรงค้นพบว่าถ้าอยากจะให้ความสงบที่โชราวนี้เป็นถาวรก็ใช้ปัญญามาคอยสกัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ได้จากการใช้สติต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะสงบไปอย่างตลอดไม่มีวันที่จะไม่สงบอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ นักบวชทั้งหลายเพียรพยายามปฏิบัติกันศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คือระ ง, งับการกระทาการหาความสุขทางแบบคารวะนั่นเองคารวะยังหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันศีลแปดก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันคารวะยังหาความสุขจากการรับประทานจากการเดิม ขนมนมเนย อ, อะไรต่างๆก็ห้ามให้รับประทานแบบแบบกินยารับประทานยามีเวลาเวลามีปริมาณไม่ให้รับประทานตามความอยากขาละวาดหาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงก็ห้ามกาละวาดหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายก็ห้ามกาละวาดหาความสุขจากการหลับนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ ก็ห้ามให้นอนแบบไม่สบายเพื่อจะได้ไม่นอนมากให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยเสือ่อปูด้วยผ้าเพื่อที่จะได้นอนไม่มากจะได้มีเวลาเอาเวลาที่ไปหาความสุขแบบคารวา น, นี่มาหาความสุขแบบนักบวชจะได้ปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปเลย ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นต้องทําละวถ้าถือศีลแปดถ้าถือศีลห้ายังรอกินอาหารเย็นน้องยิ่งเยอะยังยังลอดื่มน้ําชากาแฟตอนบ่ายกินขนมตอนบ่ายกินอาหารค่ําแล้วก็ก่อนนอนก็ยังอาจจะมีอะไรแถมนิดหน่อยแล้วระหว่างรับประทานก็มีมหโหระทให้ดูมีกิจกรรมอะไรต่างๆ ถ้ามีแฟนก็ร่วมหลับนอนกับแฟนก่อนอีกนะมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขแบบนักบวชฉะนั้นเลยต้องถือศีลแปดกันแล้วก็ต้องไปอยู่ที่เงียบๆ เ, เรียกกายวิเวกนะี่แหละวัดคือกายนี่ไปอยู่วัดที่มีมหรหสถ บ, บันเทิงก็ไม่ใช่วัดแล้วสมัยนี้วัดมันมีมีวัดแบบที่เป็นวัดกับวัดที่ไม่เป็นวัดเน่วัด บางแห่งนี่มีมอาหาล์ลศพมีงานต่างๆงานศพงานบวชงานอะไรต่างๆงานสมโพธใจดีงานวันเกิดอาจารย์วันตายอาจารย์มีงานเยอะแยะไปหมดอย่างนั้นไม่เรียกว่าวัดใะสมัยพุทธกาลไม่มีไม่มีวัดแบบนี้ วัดที่พระเจ้าวัดภาษาวกท่านอยู่ปฏิบัติกันนี้เป็นวัดที่ปราศจากกิจกรรมต่างๆมีเพียงแต่การศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเท่านั้นเองนี่แหละคือวัดที่แท้จริงดังนั้นถ้าเรามีที่ที่สงบไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นวัดได้ เช่นเรามีบ้านอยู่คนเดียวมีคอนโดอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครพอเราทำกิจทางน่างกายเสร็จเราก็ว่างจากเราก็จะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ระ ง, งับความอยากต่างๆด้วยใจรัก เห็นว่ามันทุกอย่างเป็นทุกข์ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์มันก็จะทําให้ไม่มีความอยากได้อันนี้แหละต้องไปวัดต้องมีวัดการหาความสุขแบบแบบนักบวชนี้ต้องมีวัดแต่วัดนี้ไม่ได้หมายถึงวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีพระนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพียงอย่างเดียว วัดที่มีบทเจดีย์ที่เงียบก็มีเหมือนกันแต่หายากส่วนใหญ่มักจะมีกิจกรรมต่างๆ่ต้องไปวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขา หรือถ้าหาไม่ได้ก็หาที่อยู่ของเราที่ไหนที่เราสามารถอยู่คนเดียวได้สมัยนี้เรามีการสร้างที่พักอาศัยแบบไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเข้าไปในห้องเราแล้วปิดประตูปิดหน้าต่างเปิดแอร์ก็ไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเราก็สามารถใช้ที่เหล่านั้นเป็นเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อ น, นี่คือ การนะหัดเป็นนักบวชเพราะเราต้องหัดก่อนพอหัดแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีการหาความสุขแบบนักบวชหาอย่างไรพอเราเหมือนกับว่ายน้ำตอนต้นเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็ต้องไปหัดว่ายน้ำก่อนเราจะไปกระโดดในที่น้ําลึกแล้วว่ายเลยก็ไม่ได้ ก็ต้องไปไหว้ตรงที่มันตื้นเกิดไหว้ไม่ได้ก็ยังยืนได้ไปหัดไหว้ในสระน้ำที่มันไม่ลึกเกินไปนะพอเรามีกำลังวังชาในการไหว้มากขึ้นเราก็ขยับออกไปที่มันลึกขึ้นเราทดลองดูว่าไว่ายได้ไหมเวลาเวลาไม่มีที่ยืนต่อไปมันก็ไหว้ได้ตอนต้นเราก็เหมือนกันเราไม่เคยหาความสุขแบบนั่งปวดใหม่ๆก็จะรู้สึกว่า จะหาได้หรือเปล่าเพราะเคยหาแต่ความสุขจากกิจกรรมต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ดีๆมาใหไไ้ไม่ทำเลยนี้จะทำได้หรือเปล่าก็ลองดูสักวันหนึ่งก่อนอลองดูสักวันหนึ่งมัไม่เหนือบากฝ่าแรงเพียงวันเดียวแล้วถ้าลองทำดูแล้วถ้าเกิดโชคดี ทำได้มีความสุขจากการกระทำมันก็จะติดใจมีกำลังใจขึ้นมาแล้วต่อไปก็อยากจะทำมากขึ้นเองเคยทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็อาจจะเพิ่มเป็นสองครั้งแล้วถ้าไม่มีไม่มีงานที่จะต้องทำช่วงไหนก็อาจจะไปทำแบบนักบวชไปอยู่แบบนักบวช พอทำมากขึ้นผลมันก็จะเกิดมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเดี๋ยวต่อไปก็อยู่แบบนักบวชได้ปฏิบัติแบบนักบวชหาความสุขแบบนักบวชเพ่งอย่างเดียวแล้วหาความสุขจากจากแบบของคารวาะได้ไม่ต้องไปมีเงินมีทองไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนอกจาก ใช้กับสิ่งที่จำเป็นในการดํารงชีพถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ไปบวชเป็นพระเป็นอยู่วัดก็ต้องมีเงินไว้สำหรับซื้อค่าอาหารจ่ายค่าที่อยู่อาศัยค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆถ้ารู้สึกว่ามันเป็นภาระก็ไปบวชท่านเลยไปอยู่วัดวัดแม่ชีที่อยู่วัดที่ไม่ต้องใช้เงินก็มี ถ้าไปอยู่วัดที่ปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่จะไม่ต้องใช้วัดใช้เงินใช้ทองกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเี่เพราะว่าจะมีผู้สนับสนุนมีญาติโยมอย่างญาติโยมนี้มาสนับสนุนอยู่เรื่อยๆข้างบนนี้ก็มีพระอยู่กันญาติโยมก็มาสนับสนุนเอาของใช้ที่จำเป็นของดื่มที่จำเป็นเช่นเครื่องดื่มต่างๆน้าต่างๆมาสนับสนุน อานเป็นนักบวชจริงๆแล้วไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องหาเงินอันนี้คือขั้นตอนของการเปลี่ยนการหาความสุขแบบคารวะไปสู่การหาความสุขแบบนักบวชเพราะว่าการความสุขของนักบวชนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะไม่เสือ่อมไม่หายไปจากใจ ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้แบบคาราวาได้มาปั๊บเดี๋ยวก็หายไปละไปดูภาพยนตร์ไปกินไปเืมพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดละต้องคอยไปเติมไปหาอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถหาได้เติมได้เวลานั้นก็มีความไม่สบายใจ แต่ถ้าหาแบบนักบวชได้นี้จะหาได้ไปตลอดเพราะสิ่งที่หามันอยู่ในตัวเราไม่ต้องไปแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรารู้จักหานะรู้จักรักษามันคือสติสมาธิปัญญาสี น, นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเราหาได้สร้างขึ้นมาได้แล้วก็รักษาให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้ไม่มีใครที่จะมาแย่ง จากเราไปได้ไม่เหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมีคนคอยมาจ้องเอาอยู่เรื่อยๆเพิ่มอไหล่ก็ถูกเขาขาโมยไปถูกเขาแย่งไปได้ทรัพย์ภายในคือธรรมะคือศีลสมาธิปัญญานี่ไม่มีใครเอาไปได้นี่คือประโยชน์คือส่วนดีของของการหาความสุขแบบนักบวช เป็นของที่จะเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดส่วนที่มันส่วนด้อยก็คือมันยากเพราะเราไม่เคยหามาก่อนเราไม่เคยทำมาก่อนมันก็เลยรู้สึกยากแต่มันก็ไม่เกินวิสัยของพวกเราถ้าเราต้องการจริงๆเราก็ทำได้ทุกอย่างเราหัดทำกันทั้งนั้นเมื่อก่อนนี้เราขับรถเป็นที่ไหนผู้หญิงสมัยก่อนไม่เคยเห็นผู้หญิงขับรถเนะย แต่นี้ผู้หญิงขับรถเก่งก็ผู้ชายเองเต็มไปหมดนี่นั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะไม่เคยทํามาก่อนเมื่อพอเราไม่เคยทําแบบนักงปวดเราก็อาจจะคิดว่าทําไม่ได้แต่พอลองไปหัดทํำก็จริงๆมันก็ทําได้มันมันไม่ได้เป็นของที่สุดวิสัยอยู่ที่ความสําคัญอยู่ที่ความอยาก อยากกระทําฉันทะความยินดีถ้าเราชอบอยากจะทำเนี่ยเราก็สู้ใช่ไหมผู้หญิงสมัยนี้อยากจะเป็นทาหารก็สู้เห็นไหมอยากจะทําอะไรแบบที่ผู้หญิงก็ไม่เคยทํามาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ทํากันได้หมดทุกอย่างเพราะใจสู้ใจอยากขอให้มีฉันทะความอยากอยากทำเท่านั้นเองถ้ามีฉันทะความอยากทําลทีเนี้อะไรก็ไม่ไม่มีอะไรที่จะขวางได้ ถ้ามีความเพยยียรพยายามสนับสนุนมีฉันทะแล้วก็ต้องมีวิริยะมีความเพยยียรพยายามแล้วก็มีความตั้งใจทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวก็ได้กันเองนี่เหมือนกันเมื่อก่อนผู้หญิงนี่จะไม่สามารถทำแบบผู้ชายทำได้แต่นี้ผู้หญิงทาแทบทุกอย่างเหมือนกับที่ผู้ชายทำได้หมด เหมือนกันคารวะก็เป็นนักบวชได้บวชได้หาความสุขแบบนักบวชได้เพราะนักบวชก็มาจากคารวะทั้งนั้นไม่มีใครมาบวชออกมาจากท้องแม่แล้วเป็นนัอบวชเลยเก็นอกจากพวกที่เคยบวชมาก่อนเน่ยพอเป็นเนนพอโตขึ้นมาก็ขอบวชเนนเลยบวชเนนแล้วก็ไม่สึกเลยอยู่เป็นพระไปตลอด อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีต แต่ถ้าเราไม่มีเราสามารถที่จะปลูกฝังนิจจัยใหม่นี้ได้ด้วยการหาเวลาอาทิตย์ละหนึ่งวันมาหัดอยู่แบบนัก บ, บวชกันมาถือศีลแปดมาหาที่สงบอยู่แล้วก็มาฝึกสติคอยควบคุมควาคิดหยุดความคิดนั่งสมาธิทำจิตให้นิ่งพอจิตสงบแล้วพอออกจากความสงบมา ก็ใช้ปัญญาสอนใจให้คอยระ ง, งับความอยากต่างๆที่จะมาทำลายความสงบถ้ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ต่อไปความอยากก็จะหมดความสงบก็จะกลายเป็นความสงบถาวรไม่ต้องทำอะไรอ ย, อยู่เฉยๆอยู่ที่ไหนมันก็สงบของมันตลอดเวลานี่แหละคือส่วนดีของการหาความสุขแบบนักบวช ก็จะได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่ต้องหาแบบความสุขแบบคารวะหาแบบคารวะนี้หาได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องหาไปเรื่อยๆตายแล้วก็ต้องกลับมาหาใหม่มาเกิดใหม่แต่ความสุขแบบนั่งบวชนี้พอได้เต็มร้อยแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาหาใหม่การเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไป การเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไปความทุกข์ท mm hmm. <im evet> ี่เกิดจากการเกิดก็หมดไปทุกย่อมมีต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องเป็นผู้ที่ได้พบความสุขแบบนักบวชก็ต้องมาหัดศึกษามาปฏิบัติกันแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็ได้อย่างแน่นอนเพราะมีคนเขาทามาเป็นตัวอย่างตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ มีคนได้พบกับความสุขแบบนักบวชแบบท้าวรไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ขอให้ท่านตรงนำเอาไปพณิตพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลัง เอวเมววิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิทธิ์ตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวสมิจโตสัพเพโเรนโตสังกปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีคายุโกผวะอภิวาฒนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง f ฟ c e b o o สามร y อยส u b สิบเก้าสองร้อยสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังบนเขาส8สิบแปดรวมทั้งสิ้นหกร้อยเจ็ดสิบท่านค่ะอันนี้ก็ปกติประมาณปกติอันนี้ไม่ขาดใช่ไหมไม่ล่มนะเมื่อวานนี้ล่มไปย t u b e ล่มไปไเหลือร้อยกว่าคน ก็ตอนนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรขอถามได้จะขึ้นมาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะพูดผ่านไมจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ายัางไม่มีใครถามเอาคำถามจากทางบ้านก่อนก็ได้ คำถามจากคุณธีรยุทธ์ค่ะกลับนมาส ก, การครับเคยได้ยินว่าหลักการทําทานคือหนึ่งผู้ให้ทานเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สองวัตถุทานได้มาจากทรัพย์ที่หามาอย่างบริสุทธิ์สผู้รับทานเป็นผู้มีศีลประพฤติปฏิบัติดีบริสุทธิ์ถ้าองค์ประกอบครบบริบูรณ์นี้ผู้ให้จะได้อ น, นิสงส์มากแต่ถ้าในสมองค์ประกอบนี้มีข้อใดไม่บริบูรณ์อ น, นิสงส์ของทาน ในการให้ทานจะเป็นอย่างไรครับมันก็ด้อยลงไปเหมือนกับสินค้าต่างๆที่ผลิตเนี่ยถ้ามันได้มาตรฐานมันก็ได้ได้สินค้าที่ครบบริบูรณ์ให้ประโยชน์อย่างสูงสุดถ้าไม่ครบมาตรฐานมันก็ เป็นคุณภาพต่ำไปตามลำดับแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีศีลบริสุทธิ์จะทำไม่ได้ทําได้โจรก็ยังทําได้โจรเขาก็บางทีก็มีใจอยากจะทํำบุญก็มีงั้นดีกว่าไม่ทําพูดง่ายๆอย่ามาคอยจ้องดูว่าจะต้องได้บริสุทธิ์ทุกอย่างคนรับก็บริสุทธิ์คนให้ก็บริสุทธิ์ของที่ได้มาก็บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องทากันอย่างี้ ถึงอมจจะไม่ได้เต็มร้อยอมตะสักห้าสิบก็ยังดีวะมันสะสมไปเรื่อยๆนั้นทำไปตามกำลังอั น, นที่ที่ที่พูดมานี้อาจจะเป็นการแสดงถึงอนิสงส์การกระทาที่ที่ดีที่สุดในการทำทานแต่มันในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันก็ทำไปเถอะอยากเป็นเถนตรงไปยังกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลย มีคำถามยังไห ม, มหมดแล้วมีคำถามอย่างเดียวค่ะคือการทำทานการให้เนี่ยมันประโยชน์อยู่ที่ผู้ให้นะประโยชน์ที่แท้จริงที่สำคัญอยู่ที่ผู้ให้คือความสุขใจนแต่ผู้รับนี่ประโยชน์ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นทางร่างกายเช่นไปขานอาหารให้อาหารเขากินนี่ประโยชน์ได้รับทางร่างกายเป็นหลัก ประโยชน์ทางทางจิตใจก็ได้บ้างเพราะเวลาได้อาหารมาใจก็สบายไปด้วยใจก็ไม่ทุกข์แต่ไม่ได้สุขใจแบบคนให้คนให้นี่เสียสละข้าของเงินทองเสียเสียสละอาหารไปอันนี้จะได้ความสุขมากกว่าผู้รับเนี่ยฉะนนแผู้รับนี่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้รับแบบไหน แบบไหนก็ได้เหมือนกันผูร้รับนี้ไม่มาทำให้ผู้ให้นี้ลดน้อยจากการการได้ผลของการให้ของตนการให้ของตนนี้อยู่ที่ปริมาณของการให้อยู่ที่ความยินดีที่จะเสียสละถ้ายินดีเสียสละมากความสุขก็จะมากทำแบบครึ่ง <c ười> ๆกลางๆเสียดายบ้างไม่เสียดายบ้างก็จะได้แบบครึ่งๆกลางๆ تم. เช่นบางทีทำบุญแบบที่เราไม่อยากจะทำก็ต้องทำอย่างเงี้ก็จะรู้สึกไม่เหมือนกับทำแบบที่เราอยากจะทำเอเช่นบางทีคนส่งจองมาให้เงี้ยบางทีมันไม่อยากจะทำแต่มันก็ต้องทำอย่างงี้ยความรู้สึกต่างกับความสุขที่เราได้จากการที่เราจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้ก็แต่ผลอยู่ที่ผู้ให้ เป็นหลักผู้รับนี้ไม่ค่อยมีทําให้มีผลตกต่างกันมากผู้รับจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์หรือจะเป็นขอทานก็ไม่ได้มาทําให้การให้ผลของผู้ให้นี้ล ด, ด, ดน้อยถอยเบื่อไงแต่ที่จะได้เพิ่มอาจจะ น, น้อยอาจจะต่างไปถ้าผู้รับมีศีลมากมีความดีมากมีความรู้มากผู้รับก็อาจจะแบ่งความรู้นี้มาให้กับผู้ให้ได้ อย่างนี้มีมีส่วนผลที่ได้จากการให้ของผู้ให้นี้ไม่ไม่ไม่ไม่มีส่วนผู้รับนี้ไม่มีส่วนผู้รับไม่มีส่วนที่จะทำให้ผลที่เกิดจากการให้ของผู้ให้นี้น้อยลงไปหรือมากขึ้นมามผู้รับนี้จะทำให้ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนตอบแทน ช่วยดับเสียงหน่อยนะเพราะว่ามันมารบกวนกัน mm. นะก็ง mm. ั้นขอให้เราดูที่ใจเราเป็นหลักทาบุญแบบไหนแล้วเรามีความสุขใจเราก็ทาแบบนั้นไปคนจึงเลือกทาบุญกันไงบางคนชอบปล่อยนกปล่อยปลาบางคนชอบทากับพระบางชนชอบทากับคนยากคนจนบางคนชอบทากับโรงเรียนเมื่อกี้มีกลุ่มนี้ก็มา ทางโรงเรียนเขาขอให้ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้กับเด็กปถมการร่วมลงทุนการบริจาค ก, กันแสนกว่าบาทไปพัฒนาห้องทาสีให้จัดหาหนังสือจัดข้าวของที่จําเป็นต้องมีขอเครื่องปรับอากาศก็ติดเครื่องปรับอากาศให้พอได้แล้วเด็กก็จะอยากจะเข้าห้องสมดุดนะเพราะมันน่าเข้าน่าชมะ ฉันอ ย, อยู่การให้นี่ผลอยู่ที่ผู้ให้ว่าถ้าให้มากให้น้อยแล้วให้แบบไหนชอบแบบไหนให้แบบนั้นจะมีความสุขทำบุญแบบที่ชอบกับทำบุญแบบที่ไม่ชอบมันจะมีความสุขไม่เท่ากัน คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะกราบขอโอกาส <c oughs> พระอาจารย์ครับ <c oughs> เมื่อคืนผมภาวนาพุทโธกำกับในลมหายใจเข้าออกจนคำบริกรรมหายไปแต่จิตยังคงรู้อยู่ในลมหายใจเข้าออกทุกขณะหลังจากนั้นสักพักจิตรู้สึกได้ความสงบที่สบาย <c oughs> ไม่มีเรื่องวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นมาเลยเป็นความว่างที่สงบสุข ในขั้นนั้นผมเลยกำหนดให้มีความรู้สึกอยู่ในความว่างตรงนี้ต่อเนื่องไปโดยปล่อยคำบริกรรมและดูลมหายใจและให้จิตจดจ่ออยู่ในความว่างแทนโดยมีโดยมีการกำกับสติให้รู้สึกตัวในความว่างนี้เช่นนี้ผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่ามันตั้งอยู่ในความสงบได้นานหรือไม่นานถ้าตั้งอยู่ต่อไปได้นานก็ถูกต้อง ถ้าตั้งไม่ได้จิตมันเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็แสดงว่าควรจะกลับไปดูลมต่อแต่ถ้าดูความว่างแล้วมันไม่มีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันว่างต่อไปได้เรื่อยๆก็ใช้ได้แต่ถ้าแล้ว ม, มันเริ่มมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็แสดงว่าสติเราไม่สามารถ ควบคุมให้มันว่างได้ก็ต้องใช้ลมการดูลมหายใจหรือพุทโทใหม่เพื่อจะให้มันว่างต่อไปคำถามจากคุณนรงค์ค่ะพระภูมิมีจริงไหมครับและการไหวพระภูมิที่มีการไหวด้วยเป็ดไก่เราจะเป็นต้นเหตุให้เขาถูกฆ่าแล้วเราจะบาปไหมครับคือพระภูมินี้เป็นความเชื่อความเชื่อว่าสถานที่ต่างๆนี้มีดวงวิญญาณ ที่เป็นพระภูมิชั้นต่างๆสถิตยอยู่แต่อันนี้เป็นเพียงความเชื่อที่ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือดวงวิญญาณนี้มีจริงคนตายแล้วก็ไปอยู่ตามภพภูมิของเขาแต่เขาไม่ได้มานั่งเฝ้าที่ตรงนั้นจองที่ตรงนี้ว่าเป็นของฉันของเธอ งั้เวลาเราไปสร้างบ้านที่ไหนเป็นอะไรเราไม่ต้องไปสร้างสารพระภูมิเพื่อไปอ้าใจ เ, าเจ้าที่เจ้าทางก็ได้แต่ถ้าเราเชื่อเราก็ทําไปถ้าเราเชื่อมีเจ้าที่เจ้าทางเราไม่ต้องการให้เขามารบกวนเราเราก็ยกธงขาวทําให้เขาเป็นมิตรโดยการสร้างบ้านเล็กๆให้เขาอยู่อ แล้วก็หาข้าวหาน้ำมาให้เขากินทุกวันซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้กินหรอกใช่ไหมลองชั่งน้ำหนักดูสิก่อนที่จะให้เขานี่ชั่งน้ำหนักดูว่าอาหารน้ำหนักกี่กิโลกี่ก ร, รมัมแล้วพอเอากลับมาแล้วดูสิว่าชั่งน้ำหนักใหม่ว่าดูมันมันน้อยลงไปหรือเปล่าหรือมากขึ้นหรือเท่าเดิมเท่าเท่าเดิมก็สแสดงว่าไม่มีใครแตะเลย อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความสบายใจของผู้กระทาบนวัดนี้บนเขานี้ก็ไม่เห็นมีสารพระภูมินะพอที่นี่ไม่ได้เชื่อเรื่องสารพระภูมิก็ไม่ต้องมีสารพระภูมิเชื่อลั่งกรรมเชื่อเรื่องของการทำใจให้สงบก็มีแต่การทำใจให้สงบแล้วนับการกระทาบาปทั้งปวง นั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของผู้เชื่อเมื่อเชื่อแล้วก็ต้องทำตามที่เขาสอนทางศาสนาพุทธก็สอนให้เชื่อกดแห่งกรรมให้เชื่อว่าความสุขถดยอดอยู่ที่การทำใจให้สงบด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจทางเราก็ทำตามที่เราเชื่อ คำถามต่อไปจากคุณเชอรี่ค่ะในตอนเช้าเวลาที่เราใส่บาตรเราจะเจอกับพระที่ท่านยังนั่งรับบาตรตามร้านขายข้าวแกงหรือเลยเวลาแปดเก้าโมงไปแล้วพระท่านยังไม่กลับวัดแบบนี้หากเราไม่ได้คิดอะไรเราใส่บาตรกับพระท่านไปแบบนี้กําลังบุญที่เราใส่บาตรจะเท่ากับกําลังบุญที่เราไปใส่บาตรที่วัดกับพระผู้ปฏิบัติหรือไม่คะมันก็ ถ้าพูดว่าการเสียสละก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ผู้รับรับไปนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เขาควรจะรับเพราะว่าการให้อาหารในประโยชน์ที่ต้องการก็คือบรรเทาความหิวโหยของผู้ที่อดอยากขาดแคลนแต่ถ้าเราไปให้ผู้ที่เขามีเหลือเฟือแล้วเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ แนอกจากว่าเขาฉลาดเข า, เาไปแปลงเป็นทรัพย์เ่ยเขา่าจะมีสัญญาตกลงกับแม่ค้าที่ขายกับข้าวอยู่ว่าพอได้กับข้าวมาก็เวียนเทียนกันนะเขาก็จะได้ทรัพยบซับไปทีนี้พระไม่รู้จะเอาซั์ไปทําอะไรเพราะว่าการมาบวชนี่ไม่ต้องใช้ทรัพย์กันอยู่แบบพระนี่ไม่ต้องใช้ทรัพย์แต่ท่านก็อาจจะอ้างว่าเอาไปทําบุญบุญแบบนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะทำํำ หน้าที่ของพระคือทำบุญในระดับของนักบวชคือไปฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ใช่มานั่งหาเงินอยู่ที่ที่ตลาดอย่างถ้าเราไปใส่บาตรกับพระแบบนี้มันก็เป็นการสนับสนุนให้ท่านทำอาชีพนี้ต่อไปอย่างถ้าเราเห็นว่ามันการบินทบาทมันต้องเดินไปเดินมาถึงแม้จะเดินกลับมากี่รอบก็ไม่เป็นไรบางทีหาอาหาร มารอบแรกยังไม่พอฉันก็อาจจะมารอบที่สองรอบที่สองมาไม่มีใครใส่ก็อาจมารอบที่สามแต่อย่าให้นั่งเฉยๆนั่งรออยู่เป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าไปอย่างนี้ก็เป็นกายเป็นการหาเงินหาทองก็ไม่ควรเอาเงินไปใส่ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือคนยากคนจนดีกว่า เขาได้รับประโยชน์แล้วจะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนร่วมโลกจะได้ทำให้เขาไม่ต้องมารบกวนคนอื่นเพราะถ้าเขาเดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาอาจจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการไปทาบาปไปลักขโมยไปป้นไปจี่อันนี้เราก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าการทาบุญของเรานี้ทาให้ ปัญหาสังคมน้อยลงลืมทำให้สังคมมีมากขึ้นอันนี้ก็ต้องลองคิดพิจารณาดูเอาแต่ก็ไม่ห้ามอยากจะทำบะถ้าเราชอบทำบุญกับพระก็ทำไปเพราะพระก็สำคัญแต่ว่าบางทีพระก็ได้เกินกว่าที่ท่านต้องการท่านก็ไม่ได้กินอยู่ดีท่านก็ต้องเอาอไปแจกแทนเราก็ ถ้าพระมีความเมตตามีปัญญาท่านก็อาจจะเอาไปแจกจ่ายคนยากคนจนต่อไปคาถามต่อไปจากคุณเอกค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องขันครับขันเดียวคืออะไรครับคือคำว่าขันนี่เราต้องเข้าใจว่าเป็นภาษาที่เขาใช้หมายถึงกลุ่มหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับ ขันห้านี่คือกลุ่มที่มีอยู่ที่มารวมกันมีอยู่ห้าห้าอย่างด้วยกันห้าขันคำว่าขันก็คือห้าห้าอย่างขันห้าก็มีรูปคือร่างกายแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจมารวมกันก็เป็นขันห้าขึ้นมา ทีนี้ทนเวลาสวดนี่จะไม่บอกศัพท์ประศัทที่มีขันห้าขันสี่หรือขันหนึ่งขันห้าก็พวกเราเนี่ที่เรามีตอนนี้เรามีขันห้ากันเรามีร่างกายแล้วก็เรามีความรู้สึกนึกคิดก็เรียกว่าขันห้ามีเวทนาความรู้สึกสังขารความคิดสัญญาความจำได้หมายรู้วิญญาณการรับรู้รู ป, รปเสียงกลิ่นรสเนี่ย เรียกว่าขันห้าพวกขันสี่ก็คือพวกที่ไม่มีร่างกายพอคนตายไปก็เหลือขันสี่คือดวงวิญญาณนี้ขันสี่อยู่กับดวงจิตดวงใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เวทนาสัญญาสังขารก็จะผลิตภาพให้ให้ดวงจิตได้สัมผัสตอนที่ไม่มีร่างกายก็จะเป็นภาพต่างๆเหมือนกับของจริงอย่างที่สมัยนี้เขาเรียก่า virtual reality โลกเสมือนจริงตอนที่ไม่มีร่างกายก็อยู่ในโลกเสมือนจริง มีเหตุการณ์เหมือนจริงเป๊ะทุกอย่างไปกินข้าวที่นั่นเป็นะไปทะเลาะ ก, กับคนนั่นไปมีเรื่องกับคนนี้เป็นจริงหมดเหมือนอนอกของความฝันนี่หละ่ะตอนที่เรานอนหลับก็เราก็ใช้ขันสีนี่ขันห้าขันรูปประขันไม่ทํางาน<ม>ก็เหมือนตายชั่วคราวเวลานอนหลับก็เหมือนตายชั่วคราวพอตายชั่วคราวก็ต้องใช้ขันสีนี่มาผลิตรายการให้เราได้เสพได้สัมผัสกันอันนี้ กรเรื่องของขันธ์สี่พวกที่ฝันดีผลิตรายการที่มีความสุขก็เรียกว่าเทวดาพวกที่ชอบผิดลผลิตรายการหนังบูหนังผีหนังกลัวก็เป็นพวกอบายโวกนรกทําสงครามฆ่าฟันกันอันนี้ก็เรียกว่าดวงวิญญาณของอบายกับดวงวิญญาณของสวรรค์ของเทพส่วนที่เหลือขันธ์เดียวนี้ท่านหมายถึง พวกที่เข้าฌานเข้าสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหายไปหมดเหลือแต่การรับรู้เพียงอย่างเดียวการรับรู้นี้เขาก็เรียกว่าขันหนึ่งขึ้นมาพวกที่เข้าฌานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสงบตัวลงเหลือแต่เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ผู้รู้เขาก็เรียกผู้รู้นี้ว่าขันหนึ่ง นี่คือเวลาเข้าชานพวกนี้เรียกพวกพรหมพวกนี้จะเวลาถ้าตายไปก็จะไปอยู่เป็นพรหมพรหมนี่มีอยู่ขันเดียวเทวดามีขันสี่เปรตผีอสูรกายนี่มีขันสี่ต่างกันด้วยอบายนี่มีแต่ขันสี่ที่ผลิตแต่ความทุกข์ถ้าเท ว, วดาก็เป็นขันสีที่ผลิตแต่ความสุข แล้วพอมาได้ร่างกายใหม่ก็มาได้ขันห้ามาเป็นมนุษย์เป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ได้ขันห้าสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนมนุษย์มีรูปเหมือนกันมีร่างกายมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันต่างกันตรงที่มีศีลธรรมไม่เหมือนกันมีความรู้สึกผิดชอบดีชั่วไม่เหมือนกันมนุษย์นี้มีความสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องผิดถูกดีชั่ว ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่คือเรื่องของขันต่างๆคำว่าขันก็คือหมวดเริ่มใช้แทนสิ่งนี้สมัยนี้เราเรียกสิ่งนี้เช่นรูปเป็นหนึ่งสิ่งเวทนาเป็นหนึ่งสิ่งสมัยโบราณก็เรียกว่าขันรูปเป็นหนึ่งขันเวทนาเป็นหนึ่งขันเป็นอย่างๆไปคำว่าขันก็คืออย่างนั้นเองอหนึ่งอย่าง สองอย่างสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างหรือห้าส่วนคำถามต่อไปจากคุณชอบเพชรค่ะสวดพ่อชังคะปริษช่วยให้หายป่วยได้ไหมเจ้าค่ะถ้าหายก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลมีหมอสิโอ้ถามอะไรวะ <laughs> ให้หายป่วยทางใจให้ใจบรรเทาความทุกข์ทรมานลงได้เป็นธรรมโอสดเป็นยารักษาโรคใจแต่ไม่ใช่รักษาร่างกาย ส่วนมนต์แล้วจะมีสติไม่คิดพุ่งแต่งพุ่งสร้างทงใจก็จะสงบความทรมานที่เกิดจากความเจ็บป่วยของร่างกายก็จะบรรเทาลงทางใจแต่อาการของร่างกายก็เหมือนเดิมอยู่ที่หมออยู่ที่ยาฉะั้นการสวดมนต์นี้เป็นการรักษาโรคทางใจที่มักจะเกิดพร้อมๆกับโรคทางร่างกายพอร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วย เราก็มาระ ง, งับความเจ็บทางน่างกายด้วยการใช้ธรรมโอสสการสวดมนต์ไม่สวดบทไหนก็ได้ประลิศก็ได้จะธรรมจักก็ได้มงคลละสูตรก็ได้เพียงแต่ว่าในสมัยพุทธกาลท่านยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าไปสวดบทพูดชงความจริงท่านไม่ได้สวดท่านสอนคนเจ็บป่วยให้เจริญโพชดชงคือทำที่จะทําให้ใจสงบ ทำให้ใจปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกายแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะหายป่วยไม่ได้ร่างกายหายป่วยแต่บางทีพอใจหายป่วยร่างกายมันก็ใจสั่งให้ลุกมันก็ต้องลุกอะ่ะเพราะคนสั่งคือใจ ถึงป่วยยังไงก็ยังสั่งให้มันลุกได้ถ้ามันไม่เป็นเอามาเพิกกระมาพาดที่มันไม่ลุกเพราะใจมันอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่อยากลุกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าใจไม่เจ็บแล้วลุกขึ้นมามึงจะไม่ลุกได้ไงสั่งมันได้บังคับมันได้ก็เลยเหมือนกับว่าหายป่วยพอใจหายป่วยก็ลุกขึ้นมาเดินยิ้มแย้มแจ่มใสได้แต่โรคภัยก็ยังมีอยู่อาการเจ็บต่างๆในร่างกายก็ยังมีอยู่ แต่ยังสามารถุกขึ้นมาเดินมายืนมาทำอะไรได้ด้วยพลังของใจพลังของจิตคะคำถามต่อไปจากคุณสสิธรค่ะกราบเรียนถามค่ะการกรวดน้ำต้องเทน้ำลงดินดวงวิญญาณถึงจะได้บุญที่เราทำให้ทุกครั้งใช่หรือไม่คะไม่ใช่หรอกถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานอย่างเดียวจะได้ไหมคะได้ ตังจิตอย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ําก็แต่ต้องมีบุญก่อนนะอย่าไปตั้งจิตโดยที่ยังไม่ได้ทําบุญเพราะถ้ายังไม่มีบุญมันไม่มีความสุขใจที่เราจะอุทิศสิ่งที่เราต้องการอุทิศก็คือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทําบุญของเราพอเราได้ใส่บาตได้ทําบุญแล้วใจเราจะมีอิ่มเอิบใจเราก็นั่ง สั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาในใจได้ว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ไปได้เลยไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมาให้พระสวดญาทถาสัพเี ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันแต่เขามักจะมาโยงกันเลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาโอ้กวดน้ำไม่มีน้ำกวดได้หรือเปล่ากวดน้ำไม่มีพระมาสวดให้กวดได้หรือเปล่าไม่จำเป็นน้ำไม่ต้องมีพระไม่ต้องมีขอให้เรามีบุญอย่างเดียวแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ไปในใจได้เลย ใส่บาทพปุ๊บก็นั่งอุทิศตรงนั้นได้เลยไม่ต้องมารอหาหน้ามากวดไม่ต้องมารอขอพระให้ฉวดสัญญาทาสัพพีให้หมดแล้วเห้อค่ะไม่เป็นไรหมดก็หมดมีการอยัญญาถานไหม ไม่ไม่ไม่เห็นหน้ากล้องเราไม่ได้เอากล้องใส่ให้ที่หน้ายืนข้างหลังก็ได้เอาไม้ไปอยากจะถามก็ถามดูเอามาหยิบไม้ไปเคยถามบ่อยเนี่ยไม่เห็นหน้าแล้วไม่ได้ถ่ายเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงอยากขึ้นมาบนหน้ากล้องนะอ๋อ ตรงนั้นน่ะยืนตรงนั้นก็ได้นั่งตรงนั้นก็ได้ต้องต้องพูดตร ง, งใกล้ใกล้ปากเลยคืใกล้ใกล้ปากเลยจ่อเข้าไปที่ปากเลยมันโทรศัพท์เน่ะ<อ><อ>คือหลายปีที่ปฏิบัติมาค่ะก็ยังติดอยู่เรื่องเดิมค่ะคือเรื่องความกลัวก็ยังไม่ยอมปล่อยยังไม่ยอมพิจารณาสิ่งที่เรากลัวว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ย ก็ต้องถามตัวเองว่าเรากลัวอะไรกลัวตายหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็กลัวตายอย่งนั้นกลัวเจ็บท้องหย่างคืออย่างตอนที่พิจารณาเรื่องความเจ็บขาอย่างนี้ยค่ะคือมันมันผ่านไปได้ง่ายเพราะว่าเราเห็นว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพ อ, อเวทนาที่มันเกิดจากร่างกายเนี่ยเราก็จะคือเราเห็นว่าถธาตุเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันอนิจจังมันอนัตตา พอเวทนาที่เอเวทนาความเจ็บที่มันเกิดแก่ร่างกายเนี่ยเราก็ใช้ตะกะเดียวกันมันก็เลยผ่านไปได้ง่ายแต่ว่าเวทนาความกลัวเนี่ยค่ะมันมันปิดมันไม่ได้ติดอยู่กับร่างกายค่ ะ, ะมันติดอยู่ที่ใจมันกลัวอะไรแล้วก็ต้องถามสิมันกลัวอะไรกลัวผีอ่ากลัวผีแล้วผีเป็นยังไงเคยเห็นหรือเปล่าเมื่อวานนั่งปฏิบัติก็นั่งคิดเออว่าที่เรากลัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเจอ มันก็เหมือนกับขับรถถ้าเกิดว่าเราไม่เคยขับเราจะกลัวแต่ถ้าเกิดเราขับได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนี่ยความกลัวเราจะหายไปแล้วเราคิดว่าผีมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ป่าช้าใช่ไหมก็ลองไปหามันดูสิว่ามันมีจริงหรือเปล่ า, าก็เลยคิดได้ว่าเออเนาะเพราะเราไม่เคยเจอมันเนี่ยแหละเราเลยจินตนาการแล้วเราก็เกิดความกลัวใช่ก็้องไปพิสูจน์งไง นี่นักปฏบิบัติบางทีต้องไปเป็นอยู่ที่ป่าช้าไปนั่งสมาธิที่ป่าช้าก็อยู่คนเดียวจะได้รู้รู้รู้แล้วรู้หลอกไปมันมีผีจริงหรือเปล่าตามหลักแล้วท่านบอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีมีผีจริงมีก็ดวงวิญญาณเนี้แต่เขาไม่มาหลอกเราหรอกไอ้ผีที่มาหลอกเราก็คือใจของเราคิดไปเองเนี่ยผีหลอกไม่จริงผีจริงไม่หลอก ถ้าไปอยู่ในป่าช้าไม่มีผีมาหาเรารับรองได้กล้าไปไหม่ะ น, นี่รับรองแล้ว้วต้องไปตอนคืนด้วยใหม่ๆถ้ายังไม่กล้าก็ไปกลางวันก่อนก็ได้ไปกลางวันจะได้ดูราดเราดูอะไรไม่งั้นเดี๋ยวกลางคืนมันกลายเป็นผีไปหมดเห็นต้นไม้ก็เป็นผีได้เห็นกิ่งไม้ก็เป็นผีได้ถ้าไม่ไปพิสูจน์มันก็ไม่มันก็จะกลัวยอย่างนั้น แล้วสิ่งที่ทําให้เรากลัวมากก็คือว่าแล้วมันจะทําอะไรให้กับเราอย่างมากมันก็ทําให้เราตายท่านน่ะถ้ามันจะทําเราใช่ไหมที่เรากลัวก็กลัวความตายมันมันก็มาสรุปที่กลัวความตายองนั้นถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายมันยังไงก็ต้องตายอยู่ดีกลัวไม่กลัวก็ต้องตายแต่ถ้าไม่กลัวแล้วมันสบายาก็อย่าไปกลัวมันไม่ดีกว่าวิธีไม่กลัวก็คือยอมตายอาย่าให้ร่างกายตาย ไปอยู่ป่าช้าแล้วก็ปองว่าวันนี้วันสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้ามันจะมาฆ่าเราก็ให้มันฆ่าไปให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่เราจะไม่หนีอยากมันมันมาเราจะใช้พุทธโธสู้กับมันไปทําใจให้นิ่งทําใจให้สงบหรือปัญญาปองไปว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเรื่องพ้นความตายไปไม่ได้ถ้ามันมีจริงมันจะมาฆ่าเราก็เอาไปเลยะถ้าปองได้แล้วรับรองนะต่อไปความกลัวจะไม่มีอีกต่อไป แต่ถ้ายังไม่มีกําลังพอก็อย่าไปเดี๋ยวเป็นบ้าได้เดี๋ยวกลัวจะเป็นบ้าได้คือแล้วก็อย่างเมื่อคืนที่ปฏิบัติก็จะเห็นว่าตอนกลางคืนที่เรานั่งจิตมันจะมันจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่ามันกลัวเป็นเป็นทุนนะคะแล้วเวลาที่นั่งเนี่ยก็จะคือไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็จะพยายามใช้ปัญญาพิจารณาสู้กับความกลัว คือมันจะทำได้ดีกว่าตอนกลางวันกลางวันจะคิดนู่นคิดนี่ไปเพราะว่ามันยังไม่กลัวเท่าไหร่แต่พอกลางคืนปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมความมืดมันจะทำให้เรากลัวสังเกตได้ว่ากิเลสมันจะอยู่ในวงจํากัดเมันไม่กล้าคิดออกไปยิ่งกลัวใหญ่มันก็เลยต้องหยุดความคิดมันก็เลยทาให้สงบง่ายกว่า เวลาที่อยู่ที่ปลอดภัยเอลปลอดภัยมันกินเลสมันไม่กลัวอะไรมันก็เลยไื่เลยเขาถึงมักจะไปหาที่กลัวปฏิบัติกันไงคนที่จิตไม่สงบมักจะต้องไปหาที่บังคับให้มันไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านก็ที่ป่าช้ามัง่งที่ในป่าที่มีสิงสารสัตว์ได้ยินเสียงสัตว์ร้องขึ้นมาโอ้ยมันกลัวขึ้นม า, ม, นน ม, ามันก็ต้องใช้พุโทโธดึงเข้าข้างในไม่กล้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ สถานที่น่ากลัวเนี่ยมันมีประโยชน์มันช่วยอตาล่อมจิตให้เข้าข้างในแต่เราต้องมีกําลังกันไม่ให้มันเป็นบ้าเท่านั้นเองถ้ายังไม่มีกําลังมีสติกําลังพอเดี๋ยวมันเป็นบ้าได้พอกลัวอะไรขึ้นมาแล้วมันคิดแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถ้ามันกลัวแล้วมันเข้าข้างในก็ไปได้แต่ถ้ากลัวแล้วออกข้างนอกคิดปรุงแต่งเป็นบ้าเป็นบอไปก็อย่าเพิ่งไป อ๋อแล้วก็เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเออเนาะพอเวลาเรากลัวเราก็รีบเข้านอนแล้วก็รีบปิดไฟแล้วก็รีบห่มผ้าห่มปิดอย่างเงี้ยมาหลายปีก็รู้สึกว่าเอกิเลสมันหลอกเราเนาะเรามาหกปีมันยังไม่หายกลัวเลยถ้าเหมือนกับว่าความป่วยเป็นโรคนี่มันไปแล้วหนึ่งพอนอนหลับมันก็ไม่ได้คิดถึงมันแต่พอตื่นขึ้นมาก็คิดอีกต้องมาหยุดความคิดต้องมายอมต้องต้องต้องปล่อยวางร่างกาย ปล่อยวางสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องตายค่ะออก็เลยเห็นว่าเออโดนกิเลสหลอกมาตั้งหลายปีออทําแบบเดิมๆก็ก็ไม่เห็นจะหายก็ลองอาจจะต้องทําใหม่ เ, ออเป็นกล้าๆต้องกล้าต้องไปหาที่กลัวๆอยู่ค่ะออแล้วพอเกิดความกลัวก็ใช้สติใช้ปัญญารงับมันค่ะแล้วมันจะหายอย่างท้าวอนมันจะไม่กลัวอีกต่อไป พอปองได้ยอมตายแล้วทีนี้มันก็ไม่กลัวตายแล้วค่ะอ่านะหมดแล้วใช่ไหมโอเคมีคำถามอีกไหมเลขค่ะเลขสี่นาทีคำถามจากคุณเจรุนค่ะขอโอกาสถามว่าถ้าเราฝากของสดต่างๆไปกับโยมทำของถวายพระที่วัดเราจะได้อ น, นิสงฆ์หมเจ้าค่ะได้ได้ ของข้างหมดที่เราทำไปเราให้เขาไปแล้วเราก็ได้บุญทันทีนะถึงแม้เขาจะเอาไปขโมยกินก็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเขาแต่บุญที่เราให้จากการเสียสละของสดนั้นก็ได้เต็มร้อยค่ะคำถามจากคุณหญิงคะ่ะการตักบาตรกับพระที่ตลาดกับไปตักบาตรกับพระที่มีที่เป็นพระอริยะจะได้บุญเท่ากันไหมคะเท่ากัน จะต่างกันตรงที่ว่าจะได้ธรรมะมากน้อยต่างกันพระริยย่อมมีธรรมะให้มากกว่าพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยแต่ถ้าเราไม่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ไปคุยกับท่านก็ก็ไม่ได้ทํากันก็จะได้แต่บุญที่เกิดจากการเสียสละเข้าของเงินทองไปเท่านั้นเองหมดแล้วนะโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา